ยกตัวอย่างใครที่ปรารบพุทธคุณบ่อยๆ อ, อันนี้สัตทินรียมีกําลังถ้าคนที่ปรารบเรื่องอบายเป็นต้นบ่อยๆสังเวกะวัตถุมากๆคนนั้นวิริยินทรีย์มีกําลังคนที่ปรารบนิมิตของสติเนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นคนเหล่านี้สติินทรีย์จะมีกําลังเนี่ยนะหรือว่าคนที่ปรารบสติที่เป็นไปในฐานะเจ็ดเนี่ยนะในขณะก้าวไปถอยกลับขณะและขณะเหลียวเป็นต้นเนี่ยนะ ปราลบโดยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้สตินทรีย์ก็มีกําลังถ้าใครที่ปรารบสมถานิมิตเนี่ยนะเช่นกสินเป็นต้นอสุภาษสัญญาเป็นต้นพรหมิหารมากๆอ่าพวกนี้ก็สมาธินทรีย์มีกําลังถ้าใครที่ปรารบโดยความเป็นขันธ์ธาตุหรืออันนี้จะลักษณะเป็นต้นอันนี้ปัญญินรีย์ก็มีกําลังแต่การจะบรรลุอริยสัจจะทำได้อินทรีย์ทั้ง5้าต้องสมบูรณ์ พร้อมจึงจะบรรลุทำได้แต่ว่าในช่วงนี้ไม่เป็นไรนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันได้สักอย่างนะเดี๋ยวยังอื่นไม่ยากนะถ้ามีศรัทธามีกําลังจริงๆเดี๋ยววิริยะก็ไม่ยากแล้วนะพราคนมีศรัทธาเจริญพุทธคุณมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้มีความเพียรนั่นเราจะบรนอนให้อกุศลจิตเกิดได้ยังไงใช่ไหมพระองค์เป็นคนที่มีความเพียรอย่างนี้เราก็ทําให้มีความเพียรติดตามพระผู้มีพระภาคด้วยนั้น จากตันหาเนี่ยนะมันตัวมันเองก็หลากหลายวิจิตพิสดารอารมณ์ของตันหาก็วิจิตพิสดารแต่เราก็ไปกันได้ไกลกั น, กนเอาสมุทัยศาสตร์อย่างเดียวไม่รู้มรรคศาสตร์เนี่ยมันก็รู้แต่โรคไม่รู้จักยาสักทีเนี่ง น, น ะ, ะที่จริงแล้วธรรมะนะถ้าเราสังเกตดูจะพูดอย่างไรก็ตามจะไม่พ้นอริยสัจสี่เลยเนี่ยนะกลุ่มทุกสมุทัยนิโรธมักอยู่เท่านี้แหละนะถ้าจะขยายโอ้โหอย่างวิจิตพิสดารพูดสักครึ่งวันเลยนะก็ยังอยู่ในหัวข้อสี่อย่างเนี่ย อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พยายามมิดเวลาเราฟังเนี่ยพยายามจัดกลุ่มธรรมะในความคิดเราไปด้วยจะช่วยในการศึกษาทําให้เราเข้าใจโครงสร้างได้ดีด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะสมมุติถ้ากําลังพูดกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แสดงว่าประสงค์จะแสดงสายมรรคสัตว์นะแสดงกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่ามุ่งขยายมรรคสัตว์ถ้าพูดถึงวิบากกรรมมาชรูปขันธาตุยตนะแสดงว่ากําลังขยายทุคสัตว์ ถ้าพูดโอ้อกุศลใหม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแสดงว่ากําลังแสดงสมุทัยสัตว์อยู่นะแสดงถึงความพ้นทุกข์อ่ะนะความสงบระ ง, งับแสดงว่ากําลังกล่าวถึงนิโรธสัตว์ฉันพยายามแบ่งกลุ่มคําสอนเหล่านี้ในในความคิดของเราไปด้วยเวลาฟังอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะอ่าหมั่นสงเคราะห์ อ, อริยสัตว์ลงไปในนั้นหรือสงเคราะห์บ่อยๆเนี่ยจะเห็นลักษณะของอะไรรู้ไหมเห็นลักษณะของอภิชา อ้โเมื่อก่อนอวิชารามากขนาดนี้เลยเหรอพอวิชาเกิดหน่อยๆก็จะเห็นอวิชาชมั้ยอ่าลองดูนะถ้าสว่างแล้วนะจะเห็นความมืดทันทีแต่ถ้าไม่สว่างนะความจะไม่รู้จักว่าความมืดมันเป็นยังไงเพราะปกติมือดอยู่แล้วถ้าปรารับอริยสัจบ่อยๆเนี่ยนะจะเห็นลักษณะของอวิชามากขึ้นเพราะอาวิชาก็คือธรรมชาติที่ไม่รู้อริยสัจนั่นแหละ ทีนี้คําว่าหมู่ประชาถูกชัดที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นั้นเกาะเกี่ยวไว้ความว่าความว่านี้ตรงนี้มุ่งเป็นศัพท์ที่ไขหรือเป็นศัพท์ที่อธิบายว่าหมู่ประชากล่าวคือหมู่สัตว์นี้แม้ทั้งหมดถูกชัดคือตันหานั้นเกาะเกี่ยวไว้รัดเรึงไว้ประสานไว้ทีนี้คําว่าตันหานั้นเกาะเกี่ยวรัดเรึงประสานเนี่ย ที่ไหนรัดเรึงอะไรถามว่าเกาะเกี่ยวอะไรไว้ประสาน ร, รัดเรึงอะไรไว้เอาไว้ที่ไหนเอาไว้ในขันทสันดานของเราแต่แหนเพราะตันหามก็เกิดในขันทสันดานใช่ไหย ม, มันก็ผูกมัดทาให้ยินดีพอเขาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะตันหาเกิดเป็นกิเลสวรรัตรใช่ไหมพอกิเลสวัตกรรมวัตก็เกิดร่วมด้วยแล้วตันหา น, นั้นเป็นปัจจัยแก่แกกรรมวัตอย่างอื่นต่อไป ทีนี้กรร ม, มาวัดเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างไรเขาก็ต้องโยนให้วิปากวัฏเรียกว่าโอกาสตุปปะโอกาสตุปปณะเนี่ยนะเขาแหวกให้วิบากของเขาทันทีเลยเกรรมนี่มีกําลังมากพอเขาเกิดขึ้นปั๊บนะเขาจัดสรรวิบากให้ใ ห, ให้ให้ตัวเองได้เลยเนี่ยนะแต่ถ้าหาว่าใครมีประโยค่าดีวิบากอันนั้นก็ไม่สามารถให้ผลก็ได้ถ้าประโยค่าจนถึงระดับดับขันปรินิพานกรรมนี้ก็ศูนย์โยปนานยังเลยทีนี้ พระองคุลิมาเนี่ยกรรมตามให้ผลไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปให้ที่ไหนนะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยไปให้ตรงไหนก็ได้หมดเลยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเลือกเอาได้เลยมาเลยให้ได้รับหมดละกันก็สันตานะเนี่ยนะคือถ้าใช้คําว่าขันเฉยเฉยเนี่ยมันก็อาจจะแคบไปสันตาณหรือสันดาเนี่สืบเนื่องไปขันที่สืบเนื่องนะคาว่าสันดาเนี่ยภาษาไทยนี่อาจจะฟังแล้วหยาบ แต่ภาษาบาลีก็คือสันตติเป็นต้นนั่นเองสันตานะก็คือสืบเนื่องไปเพราะไม่ไดขันไม่ได้มีอยู่ขณะเดียวแต่ว่าสืบเนื่องไปเรื่อยๆตันหาก็จะผูกสอดประสานเอาไว้ในขันธสันดานภายในทีนี้ต่อไปว่าข้าแต่พระโคตมะก็เพราะเหตุที่หมูสัตว์ถูกชัดคือตันหาเกาะเกี่ยวไว้อย่างนี้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่า ใครเล่าจะพึงถางชัดนี้ได้โอ้โหปัญหาซึ่งมันเกิดวิจิตมากมายเนี่ยนะใครจะถางมันได้คือใครเล่าเป็นผู้สา ม, มารถที่จะถางชัดซึ่งตั้งอยู่เกาะเกี่ยวในธาตุทั้งสามเอาไว้อย่างนี้ได้ธาตุไหนบ้างก็คือเกาะเกี่ยวไว้ในกรมธาตุรูปธาตุและอารมประธาตุสรุปนะของเราเนี่ยรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของโลภะเราหมดเลย ขอให้เราได้รู้สักอย่า ง, งเถอะไม่ว่าจะนอกจักราวาลเราถ้าได้สิ่งนั้นเป็นอา ร, รมณปัจจัยของจิตเราเมื่ อ, อไหรนะ่นั้นตันหาเกิดทันทีเลยอาศัยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของทันทีเล ย, ยนั่นนะเพราะนั้นตันหาเนี่ยเกิดกับทุกๆอารมณ์เกาะเกี่ยวเอาไว้หมดอย่างนี้ทีนี้เขาเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะเขายินดีในอารมณ์แต่เขาเป็นปัจจัยให้วิบากกรรมมาชโลกเกิดไม่น่าเชื่อเลยนะก็เราก็ยินสมมุติว่าเห็นเห็นดอกไม้อย่างเนี้ย เออมันก็งามนะแต่สังสารวัตรของเราก็ไปอีกเรื่อยะที่จริงก็ยินดีในอารมณ์มันก็น่าจะอยู่แค่อารมณ์นะมันไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกอ น, นั่นนะก็ไปเรื่อยนั่นแหละเขาบอกว่าตัณหานี้นั้นเป็นธรรมชาติมีวิสัยใหญ่คําว่าวิสัยนี่แปลว่าอะไรนะวิสยะเนี่ยนะแปลว่าอารมณ์เดี๋ยนะคําว่าวิสัยนี่ถ้าอ่านเจอที่ไหนขอให้รู้ะว่าคําว่าวิสัยนี่แปลว่าอารมณ์ ธรรมดาตัณหานี่มีวิสัยใหญ่ก็คือมีอารมณ์ที่กว้างใหญ่จริงๆงนะเวนโลกุตระธรรมเสียแล้วอย่างอื่นเป็นอารมณะปัจจัยของตัณหาได้หมดเนี่ยนะการมาธาตุรูปประธาตุอรูปประธาตุเนี่ยผงอันเดียวก็เป็นอารมณะปัจจัยของตัณหาได้เนี่ยนะจิตเจตสิกอู้สลับซับซ้อนละเอียดลึกสึงขนาดไหนก็เป็นอารมณะปัจจัยของตัณหาได้หมดเลย เพราะ น, นวิสัยหรืออารมณ์ของเขานี่กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆและความที่การสางเนี่ยก็เป็นเรื่องทําได้ยากแสนยากยานะนะสางที่ใครจะมาสะสางปัญหาคือตันหาที่เกิดขึ้นยินดีพอใจติดใจในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้ใครที่คิดสะสางปัญหาอันนี้เนี่ยมันทายากนะว่าไงใครจะสางได้ <c oughs> คือ ตัหาหรือว่าโลภะที่แม้แต่เบาบางนี่มีผลหมดใช่ัหมครับก็ถ้าหากว่าพระโสดาบันก็ยังมีผลทำให้ท่านปฏิสนธิอีกตั้งถ้าเป็นสัตตะขัดตุงเนี่ยนะประมาณเจครั้งอะ่ะขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังสามารถทำให้ปเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิอ่ะนะคือที่จริงตันหาเนี่ยไอ้กรรมที่ที่เจตนาที่สัมปยุติกับตันหาอย่าไรายเสียก็ให้ผลเป็นทุกข แต่ตันหาเนี่ยความที่ยังละไม่ได้เป็นปัจจัยให้กุศลให้ผลทําให้เกิดในภพภูมิต่างๆคืออย่างพระโสราบันเป็นต้นเนี่ยปฏิสนธิในสวรรค์เนี่ยไม่ได้ปฏิสนธิเพราะตันหานะแต่เพราะความที่ยังละตันหาไม่ได้จึงต้องปฏิสนธิในสวรรค์เป็นต้นนั่นแหละแต่ว่าตัวตันหาจริงๆไม่ไม่มีตันหาตัวใดที่ทําให้เกิดในสวรรค์ได้ตันหาพาบายอย่างเดียว ถ้าเขาให้ผลนําเกิดนะแต่เขาก็เป็นเชื่อให้ได้นะทีนี้เมื่อในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านอธิบายลักษณะของคำถามที่ที่เทวดาท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยนะยกปัญหาคือตันหาอันนี้ขึ้นมาถาม ว่าปัญหาซึ่งเกิดวิจิตมากมายพิสดารเหล่านี้ใครจะถามชัดนี้ได้ก็บอกว่าคนมีคุณธรรมเช่นไรจึงควรตอบปัญหานี่นะถ้าเราไปอยูดนั่งนะั่งแห่งหนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกโอ้โัญหานี่มันเกิดเห็นอะไรมันชอบไปหมดเลยเนี่ยถามว่าจะละไอความชอบอันนี้ได้อย่างไรถ้าเราไปที่ทางสี่แยกหรือไปที่ไหนก็ได้เนี่ยนะที่อารมณ์มันวิจิตพิสดารโอ้เห็นอะไรก็ชอบไปหมดเลยถามว่าจะละความชอบอันนี้ได้อย่างไร นะถ้าถ้าหากว่าเราเป็นคนตอบปัญหาเนี่ยเราจะตอบเขาว่าไรบางทีเราตอบปัญหาอันนั้นคือการไปทําให้คนนั้นมีปัญหาเพิ่มขึ้นก็ได้นะไอคำตอบของเราเนี่ยแทนที่จะไปแก้ปัญหาให้เขากลับไปก่อปัญหาให้เขาอย่างวิจิตพิสดารขึ้นก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าในวิสุทธิมรรคนี้พระพุทธโคสาจารย์ท่านนั้นนับว่าเป็นผู้ที่ทราบซึ่งในในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก เมื่อยกปัญหาคำถามอันนี้ขึ้นท่านก็แสดงคำตอบแต่ก่อนที่จะพูดถึงคำตอบนั้นนะ่ะกล่าวถึงคุณธรรมของผู้ตอบคำตอบก่อนเนี่ยนะนะเพื่อจะได้เชื่อมั่นว่าคนที่ตอบคำถามเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนะนะก็คือถามว่าไม่ใช่ธรรมดาคือเป็นใครก็บอกว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้มีโชคผู้มีพระคธรรมผู้มีส่วนแห่งคํา ผู้มีส่วนแห่งสติปทานสีสมัมมาปทานสี่ที่บาสีเป็นต้นนะพาฆ่แปลว่าสวนพระผู้มีส่วนแห่งสติปทานสี่เป็นต้นพระผู้มีส่วนแห่งอภิญญาวิโมกชานเนี่ยนะพระผู้มีส่วนแห่งปัจใจสี่เป็นต้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงธรำพระญานให้เที่ยวไปได้ไม่ติดขัดก็บอกว่าทุกๆอารมณ์เนี่ยเป็นอาริมณปัจจัยของพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดนะเนี่ยนะ เพราะตัญหานี่มีอารมณ์วิจิตขนาดไหนก็ตามอารมณ์ใดๆที่เป็นอารมณะปัจจัยของตันหามากขนาดไหนก็ตามยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังรู้อารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะบอกว่ามีพยานไม่ติดขัดเลยเขาบอวานวรับรู้ได้หมดเลยลึกตื้นนาละเอียดขนาดว่าตันหารู้ไม่ถึงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้ายัางรู้ถึงเลยเช่นโลกุตระธรรมเนี่ยตันหาท่องเที่ยวไปไม่ถึงนะ แต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปถึงยานถึงอารมณ์เหล่านั้นได้อัอนนี้เรียกว่าไหนนตะตะถาคตก็ได้เช่นพอบทว่าพระตะถาคตแต่ตรงนี้ก็คือเน้นไปที่อนาวรณญยานสัพพัญญุตยานเป็นต้นเนี่ยนะว่าอนาวรณายานเนี่ยเป็นยานที่มีอารมณ์ไม่ติดขัดนน นะแล้วไม่ติดขัดในธรรมะทั้งหมดเลยนะในธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสังขารวีการบัญญัติสังคตะธรรมอสังคตะธรรมเนี่ยไม่มีอะไรที่พระองค์ติดขัดเลยสมมุติว่าในอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยนะโดยบัญญัติมีกี่อย่างเนี่ยพระ อ, องค์รู้หมดเนี่ยนะว่าในโลกเนี่ยสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยนะใช้ศัพท์กี่ศัพท์เนี่ยนะอย่างเช่นคนไทยเรียกว่าคนคนคเขมรเขาเรียกว่ามันเนี่ อ, อย่างเงี้ยคนต่างประเทศอื่นๆเขาจะเรียก โดยชื่อต่างๆอ่ะพระพุทธเจ้ารู้ชื่อนั้นหมดเปี้ยงเลยคิดดูนะถ้าใครได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็พูดภาษาพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ทุกคนฟังปั๊บเป็นภาษาของตัวเองหมดเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพูดภาษาของเราอ่ ะ, อะนะมันพระองค์ขนาดแปลโดยอัตโนมัติเลยอ่ะเอะนะพอมาเข้าคลองแห่งโสตเราปั๊บแปลเป็นภาษาเราได้ อ, อู้พระพุทธเจ้านี่มีบุญขนาดนั้นเสียดายนะถ้าเกิดทาม น, นี้คงได้ฟังแล้วล่ะ แต่อย่าลืมนะคนที่จะมีโสตวิญญาณได้เสียงที่ประกอบด้วยองแปดเป็นอารัมมะปัจจัยเนี่ยนะโสตวิญญาณนั้นต้องเกิดจากผลของมหากุศลอย่างมากนะโสตวิญญาณจึงจะได้รับเสียงเป็นอารัมมะปัจจัยให้ชวนาวิถีเนี่ยนะสามะตรึกตามห้ยคําที่พระ อ, องค์ทรงสแสดงนั้นเนี่ยนั้นคนนั้นสรุปแล้วคนมีบุญอ่ะนะต้องการชมเท่านั้นแหละ พระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นผู้เป็นเทพของเทพทีนี้ปัญหาเขาถามว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่จะดีขนาดไหนก็นไม่รู้ละ่ะเป็นเทพของเทพอีกครั้งหนึ่ง น, นะคือเทพมีกี่อย่างเทพมีสามอย่างนะหนึ่งส ม, มุติเทพคือกษัตริย์ทั้งหมดเรียกส ม, มุติเทพเทพอย่างที่สองเรียกว่าอุปติเทพคือเทวดาทั้งหมดเรียกว่าอุปติเทพสามวิสุทธิเทพคือพระอรหรันต์เทพที่บริสุทธิ์เขาบอกว่ากษัตริย์ทั้งหลายแหละก็นับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ คือกระสับเนือกษัตริย์อนกันนี่ยเทวดาทั้งหมดก็นับถือพระพุทธเจ้าอา้าวเทวดาเหล่านั้นนับถือพระอารหันต์พระอารหันต์ทั้งหมดก็นับถือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นเทพเหนือเทพเหมนสุดยอดของเทพเหมือนกเป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพเป็นเท้าสักกะยิ่งกว่าเท้าสั ก, กะคือเขามีคําถามว่าเอ๊พายินเนี่ยสามารถตอบปัญหาได้วิจิตพิสดารได้หมดเอ๊สามารถตอบปัญหาของเท้าสักะได้หรือพระพุทธเจ้าอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าพระองค์แสดงธรรมให้เท้าส ก, กะเป็นทศดาบันเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นท้าส ก, กะยิ่งกว่าท้าส ก, กะแล้วพระองค์นี้เป็นพรหมยิ่งกว่าเหล่าพรหมเพราะพระองค์แสดงธรรมาจากกัปวัตตนสูตรเดียวนี่นะพรหมบรรลุธรรมสิบดกเดี๋ยนะเพราะพระองค์นี่เป็นอาจารย์ของพรหมบ้างั้นเน่ยอ่าเป็นผู้แกล้วกล้าด้วย จ, จตุเวสารัชญสี่คือยานที่ทําให้พระองค์ทรงแกล้วกล้านะเช่นตัวอย่างว่าบอกท่านนี่เป็น ปฏิญาณตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนี้ท่านไม่รู้เนี่ยไม่มีใครกล้าพูดโดยสหธรรมเนี่ยนะบอกท่านปฏิญาณว่าเป็นอรหันต์กิเลสอันนั้นท่านยังอยู่นะไม่มีใครกล้าตำหนิพระองค์โดยสหธรรมเนี่ยนะอันเ ร, รียกว่ายานที่เป็นเครื่องทําให้พระองค์แก้วกล้าเรียกว่าจตุเวสารัชยานนะในจตุการนี่บาดกล่าว้ และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทศพลยานยานที่เป็นกําลังอีก10บเนี่ยนะยานที่ทําให้กล้านี่ก็สแล้วใช่ไหมยานที่ทําให้เป็นกําลังอีกนะกำลังคือปัญญาเนี่ยอีกสิอย่างเช่นฐานาฐานายา น, ยานที่สามารถอย่างรู้ว่าอะไรเป็นฐานะและมิใช่ฐานะเป็นต้นนะในทศพลยานเนี่ยดูได้นะในญาณวิพังทัสกานิเทศนะหมวด10อ่าเป็นผู้มีอนาวรณายาน อนนาวรณายานก็คือยานที่ไม่มีอะไรขัดข้องว่างั้นเถอะราบรื่นไปทั้งหมดนั่นแหละก็บอกสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดนะพระองค์ประสงค์จะรู้อะไรก็รู้ทันทีเลยยกตัวอย่างเช่นพระองค์ประสงค์จะระลึกชาตินะพระองค์จะระลึกชาติได้ตลอดเป็นอเนกพระองค์อยากจะรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเนี่ยพระองค์ก็รู้ทันทีเลยเพียงแค่ประสงค์เท่านั้นเองขอให้ประสงค์เถอะว่างั้นถ้าพูดสัมนวนเราก็บอกขอให้สั่งเถอะนะสบายมากเว่างั้น ถ้าพระ อ, องค์หวังที่จะระลึกชาติก็ระลึกชาติได้พระ อ, องค์หวังที่จะยังถึงสัตว์เกิดสัตว์ตายพระ อ, องค์ก็ทําได้หมดพระ อ, องค์หวังที่จะได้ยินเสียงอันเป็นทิพย์เนี่ยนะเสียงไกลเสียงใกล้ขนาดไหนพระ อ, องค์ก็ได้ยินหมดพระ อ, องค์ประสงค์จะแสดงฤทธิ์อย่างใดอย่างใดพระ อ, องค์ก็ทําได้หมดคำั่ามันไม่มีอะไรที่พระ อ, องค์ติดขัดเลยนะเรียกว่าอนนาวรณญาณเป็นผู้มีสมัญตะจกักษุเรียกว่ามีตาโดยรอบเนี่ยนะ สมันตาเนี่ยนะเรียกว่าโดยรอบสมันตาจักรวาเลเอสูเนี่ยก็คือจักรวาลโดยรอบเหมอนันนะพระองค์เนี่ยมีตารอบก็บอกว่าไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เห็นน่ะนะถูกทูลถามแล้วอย่างนี้นะก็คือชมโอ้โหพระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติดีกรีมากมายมหาศาลเลยนะติดตามจากการบาเพ็ญบารมีมาทั้งหมดเมื่อจะทรงแก้ปัญหานี้จึงตรัสพระคาถานี้แก่เทพผูบุตรนั้นว่า สีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจะพาวายังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชา เ, เตทตังนระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีความฉลาดเป็นภิกษุเขาจะพึงถางชัดนะไอสิ่งที่รกชัดนี้ได้ดังนี้นะนะ อันนี้เมื่อวานนี้บอกเลย ว, ว่าในพระพุทธพจน์เนี่ยมีอยู่สามคาถาใหญ่ๆเนี่ยนะสามชุดใหญ่ๆมันคาถานี้แสดงถึงเสขาภูมิแต่ว่าในวิสุทธิมรรคเนี่ยขยายจนถึงอเสขาภูมิเลยในคาถาเดียวนี่อธิบายจนถึงอรหัตตมรรคนะแต่ว่าถ้าในคาถาเนี่ยแสดงถึงเสขาภูมิและอเสขาภูมิแล้วก็นิพพานนะที่ที่ในชตาสูตรเมื่อวานที่เอามากล่าว บัดนี้ข้าพเจ้าคือพระพุทธโกษาจารย์เนี่ยนะเมื่อจะพารนาเนื้อความที่จำเนกคุณมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะก็คือคุณในคาถาเนี่ยนะเอามาเรียบเรียงเนี่ยนะคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแห่งพระคาถาที่พระมเหสีเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ตามความเป็นจริงก็จะขอกล่าววิสุทธิมักวิสุทธิมักนี่แปลว่าทางแห่งวิสุทธิ ที่เป็นเหตุสร้างความปราะมาทแก่บรรดาพระโยคียในพระาศาสนานี้ผู้ได้การบรรปชาคือได้รับการบวชในาศาสนาของพระชินเจ้าที่หาได้แสนยากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งเกิดขึ้นกว่าจะได้บวชได้ยากนะรักษาเพจนี้ไว้ดีเนะี่ซึ่งแม้เป็นผู้ต้องการวิสุทธิเนี่ยนะเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริง ซึ่งทางแห่งวิสุทธิที่สงเคราะห์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นอันเป็นทางที่กเกษมที่ตรงแม้ว่าพยายามก็หาบรรลุวิสุทธิได้ไม่ก็บอกว่าปรารถนาบรรลุมักผลนิพพานถ้าไม่รู้ทางก็บรรลุไม่ได้เหมงั้น